Thank you.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 แต่ไม่ค่อยเห็นนะว่ามันมีทุกข์อีกชนิดหนึ่งที่มันซ้อนขึ้นมาหรือทับกดทับลงไปก็คือความทุกข์ใจทั้งทั้งที่ไอ้ทุกตัวนี่มันใหญ่กว่าความปวดขานะหรือว่าเมื่อยขาสิทำไมมองไม่เห็นนะก็เพราะว่าไม่ค่อยได้มาสังเกตจิตใจของตัว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 ตกงการเป็นความผิด ข, ของพระไปนะน่าคิดนะหลวงพ่อช้าต้องการบอกอะไรตกลงการบอกว่าที่พวกท่านเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าใจมันไปต่อร้อต่อเถียงกับเสียงนั้นเสียงมันก็มีของมันอย่างนั้นถ้าใจเราเนี่ยเฉยกับมันซะยอมรับมันซะมันก็ไม่เกิดอะไรแต่พอใจจะไปผักสายกับเสียง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 แม้แต่ห้านาทีเพราะอะไรเพราะว่ามันฟุ้งซ่านตลอดเวลาเป็นปัญหาของคนที่อยากจะปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะอัตมมาก็พูดกับคนที่มีปัญหาเรล่อนี้ว่าจริงๆแล้วความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาที่จริงเป็นธรรมดาแต่ปัญหาเกิดเพราะโยมนั่นแหละที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านไปมองว่ามันคือปัญหา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 มันก็ยิ่งต่อต้านจิตนะนี่มันเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุหรือว่ายิ่งกดก็ยิ่งมีแรงต้านกดธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะยิ่งกดก็ยิ่งมีแรงต้านอันนี้เป็นกฎนะทางวิทยาศาสตร์แต่มันก็ใช้ได้นะกับจิตใจของคนเรายิ่งไปกดขม่มความคิดหรืออารมณ์ก็ยิ่งมีแรงต้าน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 รู้รวมๆไม่ใช่รู้เฉพาะจุดเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่การเพ่งเพ่งเนี่ยคือทําให้รู้เฉพาะจุดถ้าพอเรารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปสติมันก็จะวัยเห็นใจคิดนึกการเห็นที่สําคัญนะเป็นเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะนะภาษาฝรั่งเรียคีย์เวิร์ดเป็นเป็นคำที่สําคัญในพุทธศานสนาไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะแล้วก็ไม่ใช่ความเห็น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 รถพังก็ยอมรับไม่บน่นไม่โวยวายแต่ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมนะคือยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ค่อยว่ากันต่อไปนะคำนี้พูดกันเท่านี้ครับพระ